วันนี้มีโรคชนิดหนึ่งที่คนเป็นกันมากนะหรือว่าทั่วโลกเลยรวมทั้งเมืองไทยด้วยหลายคนนึกถึงโรคมะเร็งอันนั้นก็อันหนึ่งนะแต่ว่าที่เป็นมากกว่าก็คือโรคหัวใจและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าวเปงเป็นนะเมื่รู้ว่าเป็นก็ตอนเกิดอาการเช่นปวดหน้าอกอย่างแรงหรือบางทีก็มีอาการปวดร้าวที่ต้นแขน หน้าบิดเบี้ยวพูดไม่รู้เรื่องและถ้าเกิดว่าช่วยไม่ทันหรือว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันก็ตายนะอันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวแต่ก็มีหลายคนตายแบบฉับพลันเลยนะเพราะหัวใจมันหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นนี่มัน เรียกว่าไม่มีอาการบ่งบอกล่วงหน้าแบบชัดเจนอยู่ดีก็ล้มคลือนลงไปเลยอย่างที่เราเห็นในคลิปที่เผยแร่กันบางคนกำลังร้องเพลงอยู่ก็ล้มกองกับพื้นอันนี้เรียกว่าหัวใจหยุดเต้นนะซึ่งถ้าเกิดว่าช่วยไม่ทันก็ ตยต่ก็มีบางคนน ะ, ะเรียกว่าโชคดนะีมีคนช่วยไว้ได้ทันวิธีการช่วยเนี่ยที่เขานิยมทำกันมากคือขยม่มหรือกดที่หน้าอกซ้ำๆกันนะที่เร า, า CPR ซึ่งอาจจะทำนานเป็นชั่วโมงแล้วก็มีนะกว่าจะ กว่าเจ้าตัวจะรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่บางทีก็ถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือใกล้เครื่องไม้เครื่องมือหน่อยก็อาจจะมีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจนะแต่น้อยคนนะที่จะได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีอจนรอดชีวิตส่วนใหญ่ช่วยไม่ทันก็หมดลม บานคนก็หัวใจหยุดเต้นขณะนอนหลับกว่าคุณมันจะรู้นะตัวก็เย็นไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือคนที่รอดชีวิตกลับมาได้เนี่ยหลังจากที่มีการช่วยอย่างปัจจุบันทันด่วนเนี่ย หลายคนเนี่ยได้พบประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงแล้วก็อาจถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คนที่รอดชีวิตนะจากการที่หัวใจหยุดเต้น ในอเมริกานี่มันก็มีคนประเภทนี้อยู่ค่อนข้างเยอะที่รวมกลุ่มกันมีคนหนึ่งเนี่ยนะอายุ40กว่านะปลายปาย50้าสกำลังเล่นฮอกกี้อยู่อยู่ดีก็เป็นลมนะหัวใจหยุดเต้นทันทีเลย บัง เ, เอิญเพื่อนที่เล่นกีฬานี้ด้วยเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นหมอเขาก็จับชีพจรจับลมหายใจไม่มีลมหายใจไม่มีชีพจรจับไม่ได้เขาก็เลยรู้เลยว่าหัวใจหยุดเต้นละเ้าก็เลยรีบทำซีอาทันทีเลยเก็ใช้เวลาอยู่นานนะ จนกระทั่งผู้ชายคนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วแกก็เล่าววาในตอนที่สลบนะซึ่งในทางการแพทย์ น, นี่ถือว่าตายไปแล้วนะ clinical death เพราะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยแกยังสามารถจะรับรู้อะไรได้หลายอย่างนคือเรามาคิดว่าคนเราพอหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยมันปิดสวิต์จิตไม่รับรู้อะไรไม่ทำงานแล้ว เมื่อคนที่โดนยาสลบคนที่โดนยาสลบนี่มันไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าคนที่หัวใจห ย, ยุดเต้นเนี่ยเระ่อจิตก็ยังทํางานได้นะอย่างผู้ชานนี้เขเลาว่าเนี่ยตอนที่หัวใจเขาหยุดเต้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนกับฝันไปนะฝันว่ากําลังจะขึ้นเครื่องบิน เป็นเครื่องบินที่โล่งนะไม่มีผูด้โดยสารคนอื่นเลยนอกจากเขาแล้วขณะที่ขึ้นเครื่องเนี่ยก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเรียกชื่อก็หันไปมองเพื่อนก็บอกว่าขึ้นเครื่องบินผิดลำนะให้ออกมาจากเครื่องนี้พอเขาลงจากเครื่องเนี่ย เขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าเพื่อนคนที่เป็นหมอที่กำลังช่วยช่วยชีวิตเขาไว้เขาเลา ว, ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ขึ้นนเครื่องบินเนี่ยหมอไปข้างนอกท้องฟ้านี่มันใสแดดดีมากเลยเป็นวันที่ดีมากๆและความสูงตอนนั้นมันก็มีความสงบมากเลย สงบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนแล้วเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขารู้เลยว่าโอ้ความตายนี่มันไม่ได่น่ากลัวเลยนะเพราะว่าภาวะตอนนั้นเนี่ยที่เขาเหมือนตายไปแล้วนี่มันสงบมากเขาบอกน่าจะนั่นมานี่เขาไม่กลัวความตายเลยไม่รู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวเลยแล้วเขาก็ รู้สึกว่าชีวิตงเขาเนี่ยนะที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเป็นกำไรที่ต้องอทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นนักกีฬานะอายุสามสึกว่าเนี่ยกำลังวิ่งมาราธอนอยู่นะพอวิ่งใกล้ถึงเส้นชัยก็รู้สึก เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วแต่ว่าก็ยังฝืนวิ่งต่อจนถึงเส้นชัยถึงจุดหมายพอถึงจุดหมายที่ก็ล้มลงไปเลยนะหัวใจหยุดเต้นแล้วเขาโซมันมืดไปหมดเลยนะมันมืดไปหมดเลยในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนช่วยปั๊มหัวใจเขาเขาไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่เขารู้สึกมันสงบมาก จนทั่งเขาฟื้นขึ้นมาคนนี้ก็เหมือนกันเขงบอกว่าโอยความตายมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาวะที่เขาได้พบกับความสงบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนคล้ายๆกับคนแรกเลยแล้วเขาสึกว่าเนี่ยชวยเขาเนี่ยมันโชคดีมากนะที่มีชีวิตรอด แล้วเขาก็เห็นความสําคัญนะของสิ่งอื่นๆที่มีความหมายต่อชีวิตไม่ใช่เรื่องงานเรื่องการอย่างเดียวโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนคนในครอบครั ว, วเขาก็หันมาให้เวลากับคนเหล่านี้มากขึ้นหานมาพบปะเพื่อนฝูงที่เคยเคยเหินห่างกันอีกคนหนึ่งเนี่ยนะ อายุห้าสกว่าทางานอยู่ดีก็ล้มสรบง่หยสลบอะหมดสติเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นเหมือนกันตอนที่ถูกปั๊มเนี่ยนะเขาบอกว่า เ, าเห็นแสงสว่างสว่างอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยเป็นความสว่างแบบไม่มีเงาอะนะสว่างแบบสว่างนวลแล้วก็สงบมากแล้วเขาส่กวก็ถูกลายล้อมด้วยความรักความเมตตา ความออกผลมันเป็นเพราะที่ก็มีความสุขมากเ่ยเหมือนกับได้กลับบ้านที่คุ้นเคยแล่พอหัวใจเขากลับมาเต้นใหม่นะเขากลับมารู้สึกตัวใจหนึ่งก็เสียดายนะยังรู้สึกดีกับ ช่วงที่เหมือนกับตายไปแล้วเพราะมันเป็นภาวะที่สงบสุขมากแต่พอก็ฟื้นมาเขารู้เลยว่าเนี่ยมันมีอะไรที่มีความมากงคั่ชีวิตมากกว่าการทำมาหาเงินหรือว่าการะสะสมทรัพย์สมบัติเขาเลยลาออกจากงานเลยนะเลิกแล้วพอแล้วไม่มาบ้าคลั่งกับ หรือไม่มาหมกมุ่นกับงานการหันมาทำสิ่งที่มันมีความหมายต่อชีวิตอะไรดีๆที่อยากทำก็ทำซะเลยไม่ต้องรอหรือว่าไม่ต้องผัดผ่อนเพราะมัวแต่หาเงินก็สวยช่วของเขาเนี่ยหลัาจากนัก้นก็ดูมันก็ไปถูกทางมากขึ้นแล้วผู้หญคนหนึ่งเนี่ยอายุห้าสุดกว่า ก็ทำงานมานานทำงานทำธุรกิจค้าขายแล้วตวลังก็มาจับธุรกิจเกี่ยวกับสาวยน้ำแล้วก็ทำมานานจนเหนื่อยล้าก็เลยกตกลงกับสามีว่าเนี่ยจะเลิกทำแล้วจะมาใช้ชีวิตด้วยกันแบบสบายสบายแต่ใจยังก็เสียดายนะ วางใจไม่ตัดใจไม่ได้รู้สึกเครียดมากเลยนะกับการที่ต้องขายร้านที่ตัวเองอผูกพันมาตลอดมีความเครียดมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ป่วยนะเพราะรู้สึกว่าหายใจติดขัดหัวใจมีปัญหาพอเข้าโรงพยาบาล ไ่ได้ไม่นานหัวใจก็หยุดเต้นลงวิบาสก็ช่วยกันปั๊มเนี่ยปั๊มหัวใจ ก, ก็เหก็เมืออคนที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะช่วงที่ถูกปั๊มเนี่ยไม่รู้สึกตัวเนี่ยไม่มีสตนะิแต่ว่าในใจเนี่ยมันรู้สึกได้สัมผัสความสงบมากเลย เธอถ้าได้ยินเสียงเรียกของสามีก็เลยกลับมาเพราะตอนนั้นหัวใจกลับมาเต้นใหม่ได้เธอเขบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สงบมากเลยนะถ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกของสามีก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาอะไรนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าเนี่ยหัวใจมีปัญหา เป็นหัวใจการเป็นหัวใจนี่มันอ่อนแอเพราะความเครียดถามว่าเครียดจากอะไรนะเครียดจากความรู้สึกเสียใจที่จะต้องขายร้านขายธุรกิจอาการของหัวใจนี่เขาเรียกว่าอาการใจสลายนะ broken heart เนี่ยอันนี้เปเรียกแบบภาษาชาวบ้านแต่ภาษาการแพทย์นี่มัหมายถึงการเป็นหัวใจที่มันอ่อนแรงเพราะความเครียดตอนที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยเขา เขารู้เลยนะวนที่เขาป่วยไงเพราะว่าในความห่วงธุรกิจแล้วเขาก็ได้คิดเลยนะว่าเนี่ยเขาเนี่ยเรียกว่าเสียอารมณ์เนี่ยหรือาหายใจลดทิ้งไปเปล่าๆ เ, เนี่ยในความเครียดเพราะว่ายัางตัดใจไม่ได้ในธุรกิจตอนจะป่าตัดนี่ก็สวมดมนต์ถึงพระเจ้านะก็เป็นคริสเนี่ย อขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยพราะโอกาสที่จะไม่เสียเวลาไม่เสียอารมณ์ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญต่อชีวิตต่อไปแล้วถ้ารอดได้นี่จะไม่ทำอย่างนั้นอีกคือจะปล่อยวางแล้วไอ้ธุรกิจร้านค้านี่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญของชีวิตเลยเพิ่งมาได้คิดนะตอนที่ใกล้จะตาย หรือว่าเสี่ยงต่อความตายเนี่ยขอร้องเลยนะขอวิงวอนต่อพระจาารยขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่ไปเป็นทุกขนะ์กับเรื่องแบบนี้แล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเลยบอกกับตัว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วก็รอดนะผ่ารักษาผ่าตัดหัวใจได้ก็รอดแล้วก็ ทำอย่างที่พูดนะคือไม่เอาละตัดใจได้เพราะมันก็เป็นเรื่องเงินเรื่องทองที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญงชีวิตมันมีอะไรที่สำคัญกว่าชีวิตอีกมากอันนี้เขาก็เอาเรื่องราวของคนที่ลอดจากการร อ, อดจากหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมาถ่ายทอดเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะแต่ว่ามันก็ ทำให้หลายคนได้พบอะไรบางสิ่งได้พบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดให้เวลาได้ตายไปชั่วขณะเนี่ยว่ามันได้พบหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ไม่ได้น่ากลัวเลยและสิ่งที่ทุกคนรู้สึกตรงกรันหรือประสบตรงกรันคือว่าความสงบนะความสงบบางคนก็เห็นแสงสว่างบางคนก็ตกอยู่ในความมืด บางคนก็อยู่บนเครื่องบินแต่ว่าเหมือนกันก็คือมันสงบจิตใจนิ่งๆไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยแต่มันก็สงสัยทำไมไม่เห็นไม่เห็นเทวดาทำไมบางคนไม่เห็นทำไมไม่เห็นญาติที่ตายไปแล้วมารับนะอย่างที่เคยได้ยินแต่นั้นก็ไม่สําคัญนะสิ่งที่ทุกคนรู้สึกตรงกันคือว่าความตายนี่ไม่น่ากลัวเลย แล้วก็หลายคนนี้ได้หันมาใช้ชีวิตวิถีใหม่นะอย่างผู้หญิงคนสุดท้ายที่เล่าเนี่ยตอนจะตายเนี่ยเพราะว่าจะต้องไปผ่าตัดเนี่ยไม่รู้จะตายหรือเปล่าแล้วปากตัวเองเลยนะว่าจะไม่เสียเวลาเสียหรือจมอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ไม่สำคัญต่อไป คนเราเนี่ยถ้าไม่ได้เจอกับวิกฤตในชีวิตเนี่ยางมันก็ไม่ได้คิดนะก็ยังหลงเพลินไปกับางานการก็ดีหรือว่าจมอยู่ในความทุกข์โดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยนะว่ามันไม่ควรไม่ควรเสียเวลาไปไม่ควรเสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องราวเหล่านั้นเลย อย่างที่เคยเล่านะว่าเขาเคยไปสัมภาษณ์มีคนไปสัมภาษณ์คนแก่อายุ80ปีขึ้นไปหลายคนเลยถามว่าเนี่ยถ้าจะย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอะไรบ้างที่จะไม่ทำหรือว่าจะทำให้น้อยที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยเล้วส่วนใหญ่บอกว่าจะไม่ไปเสียเวลาเสียความทุกข์ เสียอรมเนี่ยไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหลายคนนี่เสียเวลาเสียความหมดเรีวยกว่ามีความทุกไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเยอะมากความขัดแย้งกับเพื่อนร่วม ง, งานหรือทะเลาะ ก, กับคู่ครองกับเรื่องที่ไม่สำคัญเช่นลืมวันเกิดไม่เอาของขวัญมาให้หรือทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านหรืออย่างพิญงคนนีเนี่ ย, ยก็ไป มัวเครียดกับธุรกิจที่จะต้องขายไปพอความตายมาถึงหรือว่าพอใกล้ความตายถึงได้คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยคนที่มีเวลาเหลือน้อยนะเพราะความแก่ก็เหมือนกันนะไม่ได้คิด่ว่าเสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ย ก็ต่อเมื่อมีเวลาเหลือในโลกนี้น้อยลงไปทุกทีแล้วยิิงเราไม่ต้องรอให้ใกล้ความตายหรือเจอวิกฤตในชีวิตหรือว่าแก่ใกล้าตายแล้วถึงค่อยมาได้คิดนะว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำเนี่ยประสบการณ์คนเหล่านี้เนี่ยมัน มันสามารถจะเป็นบทเรียนสอนเราขณะที่เรายังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดีนะว่าในชีวิตที่เรามีเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะกับชีวิตในเวลาที่เหลือแต่ก็คนเราเนี่ยถ้าเราไม่ ไม่เจอเองนะไม่โดนเสียเองนะแค่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาเนี่ยมันไม่พ อ, อได้ยินก็แล้วได้อ่านก็แล้วแต่กว่าจะได้คิดเนี่ยต้องโดนเสเองนั่นธรรมดาคนเราเป็นอย่างนั้นนะซึ่งน่าเสียดายมากอย่างที่พูะเจ้าเนี่เคยตรัสว่ามีคนสี่ประเภทเนี่ยคนบางประเภทเนี่ย แค่รู้ว่าหรือได้ยินว่ามีคนตายเนี่ยก็เกิดความสังเวชหันมาปฏิบัติธรรมสร้างความดีเพราะรู้ว่านะเวลาในโลกนี้เหลือน้อยแต่บางคนเนี่ยต้องเห็นคนตายซะก่อนถึงค่อยสำนึกถึงค่อยได้คิดแต่บางคนเนี่ยต่อเมื่อ คนใกล้ชิดตายเช่นพ่อแม่คนรักลูกตายถึงไม่ได้คิดว่านึว่าอาจจะต้องรีบทำความดีทำความเพียรแต่จนวนไม่น้อยเนี่ยต้องรอให้ความตายใกล้ตัวก่อนถึงค่อยได้คิดถ้าความตายยังไม่ใกล้ตัวเนี่ยใครพูดยังไงหรือว่าได้รู้ว่ามีใครตาย คนใกล้ชิดตายก็ยังไม่สํานึกต้องมีความตายมาประชิดหรืออยู่ใกล้ตัวอย่างนี้ภาษาจริงก็เรียกว่าไม่เห็นโลงไม่หลังน้ําตาแล้วทําไมคนเราต้องรอให้ให้เจอวิกฤตในชีวิตซะก่อนเช่นป่วยใกล้ตา ย, ตายหรือว่าตายไปทีละแล้วฟื้นกลับมาถึงค่อยมามาได้คิดนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณค่าเกินกว่าที่จะ ปล่อยให้เรื่องไม่เป็นเรื่องมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจที่จริงการเจริญมรณะสตินี่มันก็เป็นวิวธีที่ช่วยได้นะไม่ต้องรอให้ความตายเข้ามาใกล้ตัวแค่นึกถึงมันแ ล, ลแล้วลึกวลึกว่าเนี่ยมันอาจจะมันจะเกิดต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเมื่อไหรก็ไม่รู้ ให้การเราลึกถึงความตายเนี่ยว่าเรายังยังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดีเนี่ยมันก็เป็นทางลัดนะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้เกิดความสำนึกขึ้นมานว่าไอ้เวลาที่มีอยู่เนี่ยควรใช้ให้เกิดคุณค่าไม่ใช่เอาไปไหมดเวลาไปกับหรือใช้เวลาไปกับการหาเงินหาทอง มกบุญอยู่ความสนุกสนานหรือเอาแต่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะที่เขาพูดว่าเนี่ย life is short less shopping ชีวิตนั้นสั้นนะให้ชอ็อตให้มาช้อปปิ้งให้กระจุยกระจายเลยเนี่ย น, นั้นก็เป็นคำโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้เราถ้าเราหลงนั้นเราก็เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสียนั่นถ้าเกิดว่าเรา แล้ลึกถึงความตายด้วยการเจริญรอนสติเป็นประจำเนี่ยแล้วก็นึกถึงมันอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ตุ้นทำให้เกิดความได้คิดเหมือนกันนะแต่ที่เราจะยังไม่เจอความเจ็บปวยยังไม่เจอความตายแต่ว่ามันก็ทำให้มันก็มีพลังมากพอที่ทำให้เราตื่นตัวเกิดความได้คิดแล้วก็ใช้ช่วิตให้มันเกิดประโยชน์แต่คนจำนวนมากก็ กับมองว่าการเจริญร้อนนัสติเนี่ยมันเป็นการแช่งนะมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยใช่เหตุก็เพลินไปความสุขสนุกสนานเสร็จแล้วพอเกิดวิกฤตในชีวิตเกิดความเจ็บป่วยบางทียังไม่ทันแก่เลยก็ป่วยเป็นมะเร็งนะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดช บ, บุญรรอดมาได้เนี่ยถึงได้คิด ไม่มีจะไม่น้อยนะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเนี่ยเวลามีความทุกข์มากๆกเนี่ยก็คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยในอเมริกานี่มันมีสะพานหนึ่งที่มีชื่อมากนะชื่อสะพานโกลเดนเกตในในเมืองซานฟรานซิสโกฝรั่งนี่ชอบกระโดดนะจากสะพานเนียเพราะว่า มันเป็นจุดที่ค่าตัวตายได้ได้ง่ายหรือยังไงก็ไม่รู้นะนี่เมื่อหลายปีก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะทำได้ยาวแต่สกอร น, นี้เวลาใครมีความทุกข์เรื่องอะไรเช่นอกหักงานล้มเหลวก็กระโดดลงจากสะพานโกลเด้นเกตซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตายสมใจแต่หลายคนเนี่ยมีคนช่วยชีวาไว้ได้นะนะแต่หลายคนที่ได้รับการช่วยชีวิตเนี่ย บอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะว่าตอนที่โดดลงมาเนี่ยไอตอนที่โดดเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเท่าไหร่อาอาจจะเกิดจากอารมณ์โ่ววูบแต่พอโดดลงไปเนี่ยใกล้ถึงพื้นน้นเนี่ยได้สติขึ้นมาเนี่ยว่าเนี่ยที่ฉันกลงกังจะตายแล้วหรือเนี่ย แล้วรู้รู้แล้วว่าเนี่ยไอสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยพาตัวมาฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยเพราะตอนนั้นเจอความตายแบบซึ่งซึ่งหน้าหรือใกล้ใกล้ชิดมากตอนนั้นแหละที่ได้คิดว่าโหยเราไม่น่าเลยนะไอความตายนี่มันทําให้ความทุกข์ที่เคยเจอทั้งมวลเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยและดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ย ซึ่งโชคดีไม่ตายเพราะมีคนช่วยเนี่ยมาได้คิดแลยนะว่าในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่คอขาดบาดตา ย, ยมนันเรื่องเล็กน้อยมากเลยเพราะว่าตอนนั้นแหละที่ได้เจอความตายแบบใกล้ชิดมากและความตายนี่มันทําให้คนได้ตระหนักว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีเราเจอเนี่ยมันเล็กน้อยมากน เพราะไม่มีทุกอยที่มันยิ่ ง, งใหญ่ความตายโดยเพราะสัญชาตญาณมนุษย์ที่อยากจะมีชีวิตให้ยืนยาวยาหลายคนเนี่ยที่ทั้งที่อยากจะตายเนี่ยจึงโดดลงมาจากสะพานนะแต่ว่าพอได้รับการช่วยชีวิตเนี่ยกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นเพราะรู้ว่า ้สิ่งต่างๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจนกระทั่งเกิดความผิดหวังเศร้าโศกเสียใจคับแค้ น, นี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนแต่นี่เรียกว่าเป็นพ่อโชคดีนะที่เอาชีวิตรอดมาได้หรือเป็นเพราะมีคนช่วยเอาไว้แต่หลายคนนี่ที่มาได้คิดตอนกำลังจะกระทบพื้นน้ำเนี่ยแต่ว่า มันคนช่วยไม่ทันแล้วอันนั้นก็เรียกว่าน่าเสียใจแต่ว่าคนเราไม่ต้องรอให้เจอความตายใกล้ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าพรอุบัติเหตุถ้าเรารู้ถึงความตายเป็นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราได้คิดนะว่าเราควรจะทำอะไรที่ควรทำแล้วเมื่อถึงเวลามันจะได้ไ ม, มีไม่มีความรู้สึกผิดนะกับ ชีวิตที่ผ่านมาหลวงพ่อจรัญท่านบอกเนี่ยคนเราเนี่ยจะรู้สึกผิดเนี่ยเมื่อตอนใกล้าตายเนี่ยอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกคือทำํำโดยไม่คิดเรื่องที่สองคือได้แต่คิดแต่ไม่ทำไอ้ทำโดยไม่คิดนี่ก็อาจจะไปทําชั่วนะหรือไปสร้างความดูอดร้อนกับผู้อื่นสร้างบาปสร้างกรรมแล้วคยมาเสียใจว่าเราไม่น่าเลยหรือสอง ได้แต่คิดแต่ไม่ทำนะจะนสิ่งดีๆที่ควรทําแต่ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยนะการดูแลพ่อแม่การให้เวลากับลูกๆหรือว่าการทําความดีการปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่าได้แต่คิดแต่ไม่ทําพอถึงเวลาใกล้ตายมาเสียใจว่านละูกนี้เนะี่ยหรือว่าถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะทําจะไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปหรือที่รู้สึกผิดนะว่าได้ ทำโดยไม่คิดก็จะไม่ขืนทำยังไงต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็สายไปแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วเราก็อย่าเป็นอย่างนั้นนะเรามีเวลาเยอะแต่ที่จริงเวลาเยอะนี่ก็ไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าพรุ่งนี้คืนนี้อะไรก็ไม่แน่เพราะนั้นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาณอยู่เสมอ